50 languages. 54จซื้อของซื้ฉันต้องการซื้อของขวัญฉนต้อซื้อของขวารซื้อขงารฉันต้องการซื้อของขวัญอกตอางาก ลิขิมแพงก็ไม่หอาจจะเป็นกระเป๋าถือช่ายอีกแบกคุณอยากได้สีอะไรครับก่อนสร้างใจเหตุหสีดําสีน้ําตาลหรือสีขาวกาล่าบุราและสีเทาใบใหญ่หรือใบเล็ก ชขอดิฉันดูใบนี้หน่อยได้ไหมคะแก่แม่ยังดูสักก้าห์ใบนี้ทําจากหนังใช่ไหมคะแก่ยังจำเรก้าเหหรือว่าทําจากพลาสติกยาแก่ยังพลาสติกก้าเห่ทําจากหนังแน่นอนค่ะจำเรก้าเห ใบนี้คุณภาพดีมากค่ะยี่บ๊าดอชีควณลิตี้กาเหและกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงจิงนะคะ और इ อิสแบ็กเก็ตปีมดบีบ๊ามน่าซิบเห้ดิฉันชอบค่ะยี่มุชีปสนเห้ดิฉันเอาค่ะยี่เมลลุงกา ดิฉันจะเปลี่ยนได้ไหมคะถ้าต้องการแ่แม่ยด้ไะถ้าต้องการแก่นได้้อแน่นคอ่ะเปลี่ยนคา่จะ่ยหองกวรแ้จะนได้หมคะถ้าต้องการแก่แ้จะเปี่ห่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะเปลี่ยนได้ไหมคะถ้าอร